สันเสริญสุขอันเลิศกว่ากามเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวคณะสะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมน่าอัศจรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อที่เนกามและกามสุขนั้นท่านพระโคโดมตรัสกามสุขว่าเลิศกว่ากามทั้งหลายแต่ตรัสสุขอันเลิศกว่ากามว่าเลิศกว่ากามสุขชื่อว่าตรัส ด, ดีแล้ว กัจจานะข้อที่ว่าการก็ดีการมาสุก็ดีสุขอันเลิศกว่าการก็ดีนี้เธอผู้มีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันจึงรู้ได้ยากภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจ ท, ที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นพ ะ, ะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นแลจะพึงรู้กามกามสุขหรือสุขอันเลิศ ก, กว่ากามนี้ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวคณะสัปริพาชกโกรธไม่พอใจเมื่อจะด่าว่าเย้ยยันพระผู้มีพระภาคคิดว่า เราจากทำให้พระสมณะโคดมได้รับความเสียหายจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสมณะพราหมณ์บางผู้ออในโลกนี้ไม่รู้เงื่อนเบื้องต้นไม่เห็นเงื่อนเบื้องปลายแต่ยังยืนยันอยู่ว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโพรมจันแล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป คำกล่าวของสมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงความเป็นคำหน้าหัวเราะเป็นคำต่ำช้าเป็นคำเปล่าเป็นคำเหลวไหลทีเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัจจานะสมณพราหมณ์เหล่าใดเมื่อไม่รู้เงื่อนเบื้องต้นไม่เห็นเงื่อนเบื้องปลายยังยืนยันว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจรพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกข่มก็ชอบอยู่แต่จงงดเงื่อนเบื้องต้นและเงื่อนเบื้องปลายไว้ก่อนขอให้วินยูชนผู้ไม่อ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนซื่อตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนไม่นานก็จะรู้เองเห็นเองได้ทราบว่า ความหลุดพ้นโดยชอบจากเครื่องผูกคืออวิชาก็เป็นอย่างนั้นกัจจานะเด็กอ่อนที่ยังนอนงายถูกเครื่องผูกที่ทำด้วยได้ผูกไว้ที่ข้อเท้าทั้งสองที่ข้อมือทั้งสองและที่คอรวมเป็นห้าแห่งเครื่องผูกเหล่านั้นจะหลุดไปเมื่อเด็กเติบโตขึ้นและมีร่างกายแข็งแรงขึ้นเขาจึงรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วและเครื่องผูกก็ไม่มีแก่เราแม้ฉันใด วินยูชนผู้ไม่อโอดไม่มีมานยาเป็นคนซื่อตรงก็ฉันนั้นเหมือนกันขอจงมาเถิดเราจากสั่งสอนจากแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนแล้วไม่นานก็จะรู้เองเห็นเองได้ทราบว่าความหลุดพ้นโดยชอบจากเครื่องผูคืออวิชาก็เป็นอย่างนั้น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 รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. จุลวัจโคตสูตร 2. องักิวัจโคตสูตร 3. มหาวัจโคตสูตร 4. ที่ขณขคาสูตร 5. มาคันธิยสูตร 6. สันทกะสูตร 7. มหาสกุลุทายิสูตร 8. สมณมุนทิกะสูตร 9. จุลสกุลุทายิสูตร 10. เวคณะสสูตร 4. ราชวักหมวดว่าด้วยพระราชา 1. คติการะสูตร ว่าด้วยช่างหม่อชื่อคติการะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจ้าริกไปในแคว้นโคศนพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทางแล้วได้ทรงแย้มพระโอษณ์ณสถานที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอา น, นุนได้คิดว่าอะไรนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ไห้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุลำดับนั้นท่านพระอานนนจึงห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์ เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วณนะสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวขาลิงคะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพ ล, ลเมืองหนานแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอาศัยเวคาลิงคานิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งประสอนภิกษุสงฆ์ณนะที่นี้ครั้งนั้น ท่านพระอานน์ได้ปูลาดผ้าสังคาติเป็นสี่ชั้นถวายแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงประทับนั่งณที่นี้เถิดภาคพื้นส่วนนี้จกเป็นส่วนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ทรงใช้สอยพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แล้ว ได้รับสั่งเรียกท่านพระอนนท์มาตรัสว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วณนะสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวขาลิงคะเป็นนิคมมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพ ล, ลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคะลิงค้านิคมอยู่ได้ยินว่า ที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสอนภิกษุสงฆ์ณที่นี้อานน์ในเวขาลิงคนิคมได้มีช่างหม้อชื่อคติการะ เป็นอุปทาผู้เลิศของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพชื่อโชติปาลเป็นสหายที่รักกันของช่างหม้อชื่อคติการะครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเรียกโชติปาลมานพมากล่าวว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค พ, พ, พระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีเมื่อช่างหม้อชื่อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติบาลมานกได้กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณเโล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สอง ละถึงแม้ครั้งที่สามช่างหม้อชื่อคติการะได้กล่าวกับโชติปาละมานกว่ามาเธอโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดี แม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพได้กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโภชนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม่อชื่อคติการะจึงกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเรานําจุนถูตัวไปยังแม่น้ําเพื่ออาบน้ํากันเถิดโชติปาละมานพรับคําแล้วลําดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะ และโชติปาลมานพได้นำจุนถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำอานน์ต่อมาช่างหม้อชื่อคติการะได้เรียกโชติปาลมานพมากล่าวว่าโชติปาลเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลาจากพระอารามของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรัก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 แม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามช่างหม้อชื่อคติการะเรียกกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน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 ถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาละมานกให้ช่างหม้อชื่อคติการะปล่อยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อชื่อคติการะนั้นจับที่ผมของโชติปาละมานกผู้อาบน้ําดำกล้าวแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรัก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 ต่อมาโชติปาลมานบได้คิดว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่ช่างม่อชื่อคติการะผู้มีสกุลรุนชาติต่ำบางอาจมาจับผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปด้วยนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วได้กล่าวกับช่างม่อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่ผู้ชักชวน จับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงบางอาจจับที่ผมของเรานั้นก็เพื่อจะชวนให้ไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นเองหรือช่งหม้อชื่อคติการะกล่าวว่าเท่านั้นเองโชติปาระเพื่อนรักจริงอย่างนั้นการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ถือกันว่าเป็นความดีโชติปาละมานพกล่าวว่าคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นปล่อยเราเถิดพวกเราจะไปด้วยกันอานอนท์ครั้งนั้นช่างม่อชื่อคติการะและโชติปาลมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับช่างม่อชื่อคติการะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งนที่สมควรส่วนโชติปาละมานพได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนทที่สมควรช่างม่อชื่อคติการะผู้นั่งนทที่สมควรเดียกราบทูนพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่โชติปาละมานพนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้ช่างหม้อชื่อคติคาระ และโชติปาละมานพเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วแกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกาถาจากนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาลมานพผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาหารแกล้วกลาปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาแล้วชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลุกจากที่นั่งถาวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทาประทักษิณแล้วจากไปอานน์ครั้งนั้น โชติปาละมานพได้ถามช่างม่อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักท่านเมื่อฟังธรรมนี้หลังจากนี้จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือไม่แช่างม่อชื่อคติการะตอบว่าโชติปาละเพื่อนรักท่านก็รู้อยู่มิใช่หรือว่าเราต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราโชติปาละมานพจึงกล่าวว่า คติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเองลำดับนั้นช่างม่อชื่อคติการะและโชติปาลมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรช่างม่อชื่อคติการะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงบวชให้โชติปาละมานพนี้ด้วยเถิดโชติปาละมานพได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กาสีพระนามว่ากิกีอานอนท์ครั้งนั้นเมื่อโชติปาละมานกอุปสมบทได้ไม่นานประมาณกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวขลิงคานิคมตามควรแก่อธัธยศาศัยแล้วเสด็จจ้าริกไปทางเขตกรุงพาราณสีเสด็จจ้าริกไปแล้วโดยลาดับ จนถึงกรุงพาราณสีอานนท์ได้ยินว่าในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิ ป, ปตนะมรุกขายวันเขตกรุงพราราณสีพระเจ้ากาศีทรงพระนามว่ากิกีทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงกรุงพารณสีประทับอยู่ณป่าอิสิ ป, ปตนมรุกายวันลำดับนั้นพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีรับสั่งให้จัดยานพาหนะคัน ง, งามๆหลายคันทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จจากเขตกรุงพารณสีพร้อมกับยานพาหนะคัน ง, งามตามเสด็จด้วยราชาุภาพอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อทรงเยี่ยมพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาณิะจะไปได้จึงสเสด็จลงจากยานสเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควร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 ผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล่าปลอบโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพระตาหารของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้เถิด พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์โดยดุษเนีภาพ Bangkok. ครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงทราบอาการที่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวกัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาท ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปเมื่อล่วงราตรีนั้นไปพระเจ้ากาศีพระนามว่ากิกีได้รับสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตล้วนเป็นข้าวสาลีซึ่งอ่อนละมุนเก็บก า, กากออกหมดแล้วมีแกงและกลับหลายอย่างในพระราชนิเวศของเท้าเธอแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะ ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพระทหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าอานอนท์ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีประทับนั่งบนพุทธาที่ปูราดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงอังคาตภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีดด้วยพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะ ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเสร็จทรงวางพระหัตแล้วพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีก็เลือกประทับนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาณกรุงพารณสีของหม่อมฉันเถิด พระสงฆ์จักได้รับการบำรุงเห็นปานนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายาเลยมหาบพิษอาตมาผ้พรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาไว้แล้วแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาณกรุงพารณสีของหม่อมฉันเถิดพระสงฆ์จากได้รับการบำรุงเห็นป่านนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายาเลยมหาประพิษอาตมาภาพรับนิมนต์การจำพรรษาไว้แล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี ทรงเสียพระไทยทรงโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับนิมนต์การอยู่จพาพรรษาณกรุงพารณสีของเราจากนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครอื่นที่เป็นผู้อุปถากยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือพระพุทธเจ้าข้า กัสปะพุทธเจ้าทรงสรรเสริญช่างหม้อชื่อคติการะพระผู้มีพระภา พ, พระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบาพิตรมีนิคมชื่อเวคัลิงคะช่างหม้อชื่อคติการะอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปถาผู้เลิศของอัตมภาพพระองค์ทรงเสียพระไถยมีความโทมนั์ว่า พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาในกรุงภารณสีของเราแต่ความเสียใจและความโทมมนต์นั้นย่อมไม่มีและจักไม่มีแก่ช่างหม้อชื่อคติการะเพราะช่างหม้อชื่อคติการะถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ เว้นขาดจากปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากอาทินนาทานการลักทรัพย์เว้นขาดจากกาเมสุวิฉาจารการประพฤติผิดในกลามเว้นขาจากมุสาวาทการพูดเท็จเว้นขาดจากสุราเมรยามัชชะปะมาทัตฐานะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทช่างหม้อชื่อคติการะ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสมั่นคงในพระธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสมั่นคงในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะรักใคร่ช่างหม้อชื่อคติการะเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขะสมุทัยเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขนิโรธ เป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาบริโภคพัดมือเดียวเป็นพรหมจรีมีศีลมีกรรยานธรรมไม่ใช้แก้วมณีและทองคำเป็นเครื่องประดับปราศจากการใช้ทองและเงินมหาปพิษช่งหม้อชื่อคติการะไม่ใช้พลั่วและมือของตนขุดแผ่นดิน หาแต่ดินริมตลิ่งที่พังหรือขุดหนูมาใช้ทําเป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการภาชนะสําหรับใส่ข้าวสารใส่ถั่วเขียวใส่ถั่วดำขอให้นําภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดช่างหม้อชื่อคติการะเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราหลังจากตายแล้วช่างหม้อชื่อคติการะจะเป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกมหาบพิษสมัยหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวขลิงคะนั่นเองครั้นเวลาเช้าอาตมาภาพครองอันตรวาสกถือบาทและจีวอนเข้าไปหามานดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิด นี่คนหาอาหารไปที่ไหนเสเล่ามารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถาของพระองค์ออกไปแล้วขอพระองค์จงรับเข้าสุกจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงเสวยเถิดครั้งนั้นอาตมาภาพได้รับเข้าสุกจากหม้อข้า ว, าาวรับแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะจากไป ลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมารับเข้าสุขจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลูกจากอาสนะจากไปมารดาบิดาบอกว่าลูกเอ๋ยพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับเข้าสุขจากหม้อข้าว รับแกงจากหม้อแกงสวยแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไปมหาบาพิษครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะได้คิดว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ครั้งนั้น ปีติและสุขไม่จางหายจากช่างม่อชื่อคติการะตลอดตึงเดือนไม่จางหายจากมารดาบิดาตลอดเจดวันมหาปพิธสมัยหนึ่งอาตามาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวขาลิงคะนั่นเองครั้นเวลาเช้าอาตามาภาพครองอันตรวาสกถือบาดและจีวอนเข้าไปหามารดาบิดาของช่างม่อชื่อคติการะถึงที่อยู่ แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามานดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถากของพระองค์ออกไปแล้วขอพระองค์จงรับขนมกลุ่มมาจากกระเช้านี้รับแกงจากหม้อแกงเสวยเถิดครั้งนั้นอาตมาภาพได้รับขนมกลุ่มมาจากระเชา้ารับแกงจากหม้อแกง ฉันแล้วลุกจากอาสนะจากไปลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมารับข น, นมกลุ่มมาจากกระเช้ารับแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะจากไปมารดาบิดาบอกว่าลูกเอ๋ยพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงรับขนมกลุ่มมาจากกระเช้ารับแกงจากหม้อแกงเสวยแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไปแล้วมหาปพิธครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะได้คิดว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ครั้งนั้น ปีติและสุขไม่จางหายจากช่างหม้อชื่อคติการะตลอดกึ่งเดือนไม่จางหายจากมารดาบิดาตลอดเจ็ดวันมหาบาพิษสมัยหนึ่งอาตามาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวขลิงคะนั่นเองขณะนั้นกุติรั่วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปดูว่า ในเรือนของช่างหม้อชื่อคติการะมีหญ้าหรือไม่เมื่ออาตมาภาพกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นไปดูกลับมาแล้วได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรือนของช่างหม้อชื่อคติการะไม่มีหญ้ามีแต่หญ้าที่มุงหลังคาเรือนของเขาเท่านั้นอาตมาภาพจึงได้สั่งภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพากันไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนของช่างหม่อชื่อคติการะภิกษุเหล่านั้นได้ไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนของช่างหม่อชื่อคติการะครั้งนั้นมารดาบิดาของช่างหม่อชื่อคติการะเรีกกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพวกใครเล่ามารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนภิกษุทั้งหลายตอบว่าคุณโยม กุติของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วมารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะได้กล่าวว่านำไปเถิดเจ้าข้านำไปตามสะดวกเถิดพระคุณเจ้าครั้งนั้นช่างหม่อชื่อคติการะเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วถามว่าพวกใครเล่ามารื้่ย่ามุงหลังคาเรือน มารดาบิดาตอบว่าลูกเอย๋ยภิกษุทั้งหลายบอกว่ากุติของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วลำดับนั้นช่างหม่อชื่อคติการะได้คิดว่าเป็นลาบของเราหนาเราได้ดีแล้วหนาที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ครั้งนั้นปิติและสุขไม่จางหายจากช่างหม้อชื่อคติการะตลอดตึงเดือนไม่จางหายจากมารดาบิดาตลอดเจดวันมหาบภิตรครั้งนั้นเรือนที่ช่างหม้อชื่อคติการะอาศัยอยู่หลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอดสามเดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่วช่างหม้อชื่อคติการะมีคุณเช่นนี้ พระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาบของช่างหม้อชื่อคติการะหนอช่างหม้อชื่อคติการะได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้อานอน์ครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงให้ราชบุรุษทรงเกวียนบรรทุกเข้าศาล ข้าวบรรทุมุทิกาสาลีประมาณห้าร้อยเล่มเกวียนและเครื่องแกงพอสมควรกับข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่ช่างหม้อชื่อคติการะราชบุรุษทั้งหลายเข้าไปหาช่างหม้อชื่อคติการะแล้วได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญนีขาา้ข้าวสารข้าวบรรทุมุทิกาสาลีประมาณห้าร้อยเล่มเกวียนและเครื่องแกงพอสมควรกับข้าวสารนั้น พระเจ้ากิกีกาสีทรงส่งมาพระราชทานแก่ท่านแล้วจงรับของพระราชทานเหล่านั้นไว้เถิดช่างม่อชื่อคติการะกล่าวว่าพระราชามีพระราชกิจมากมีพระราชกรณียกิจมากสิ่งของที่พระราชทานมานี้อย่าเป็นของข้าพเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดอานนท์เธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นโชติปานลมานก คงเป็นคนอื่นเป็นแน่แต่เธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราก็คือโชติปาละมานพนั่นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธินี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลคติการะสูตรที่หนึ่งจบ สรัฐปาลสูตรว่าด้วยพระรัฐปาละพราหมณ์และขหะบดีชาวเมืองทุนลโกติตะเข้าเฝ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนคุรุพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่เสด็จถึงนิคมของชาวคุรุชื่อทุนลโกติตะพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายชาวทุนลโกติตะนิคม ได้สดับข่าวว่าได้ยินว่าพระสมณะโคโดมเป็นศักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากศักยะตรกูลทรงจาริกไปในแค้งขุรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงทุนละโกรติตะนิคมท่านพระโคโดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามขาจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต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 ด้วยพระองค์เองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท้ำกลางมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนพานได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพรามและขหาบดีชาวทุนและโกติตะนิคม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 แล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พราหมณ์และขหาบดีชาวทุนละโกติตะนิคมเห็นชัดชวนใจให้อย่าครับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล่ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยธรรมมีคาถา